อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากตัดสินตัวเองว่าไม่มีค่าทั้งชีวิตที่เหลือคุณจะไม่ศรัทธาในการทาเรื่องมีค่าให้เกิดขึ้นหลังจากรู้ความรู้ภาษาผ่านร้อนผ่านหนาวถึงจุดหนึ่งทุกคนจะเริ่มมีอัตตาโดยตัดสินตัวเองว่าเป็นใครอยู่ในโลกนี้มีตัวตนใหญ่เล็ก หรือเหมือนไม่มีตัวตนเลยเมื่อไม่ได้อยู่กับคนรู้จักเดินไปตามลําพังเห็นคนผ่านไปผ่านมาไม่มองไม่ให้ความสนใจไม่มีใครคุยด้วยรู้สึกราวกับตัวเองเป็นอากาศาธาตุในหัวอึงอนไปนด้วยความฟุ้งซ่านจับไม่ติดเพราะไม่มีบทบาทหน้าที่ไม่มีโฟกัสอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีใครให้คิดถึงเป็นพิเศษคุณจะเริ่มเหมือนวิญญาณพนเจนจรไรทิศทางและไม่มีความสุขกับการต้องรับรู้ว่าโลกภายในว่างโหวงไม่เหลืออะไรให้จับต้องเอาเลยพอปล่อยให้ชีวิตไหลไปถึงจุดนั้นหรือประมาณเดียวกันนั้นใจคุณจะเริ่มตัดสินว่าชีวิตไม่มีค่าไม่มีราคา ตายกับอยู่แทบจะค่าเท่ากันเกลอแก้วหนึ่งเดียวที่คุ้นเคยคือความเบื่อจุก อ, อกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื่อที่จะต้องรับผิดชอบ ก, บกับการมีลมหายใจหมายความว่าถ้ามีเรื่องแย่ๆ แ, แกไม่ตกเพิ่มขึ้นมาแม้แต่เรื่องเดียวในหัวคุณจะวนเวียนอยู่กับความอยากตายให้พ้นๆไปเลย ความกลัวตายความไม่แน่ใจว่าตายแล้วจะต้องเจอกับอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนเรายังมีความยับยั้งชั่งใจแต่เมื่อใดที่ทุกเกินความกลัวเมื่อใดที่ทุกขหนักแน่นจนบีบให้แน่วแน่เมื่อนั้นคนคนนั้นจะตัดสินว่าคุณค่าอะไรในชีวิตไม่เหลือแน่แล้วแล้วตัดสินใจฆ่าตัวตาย อันเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าค่าของความเป็นมนุษย์หมดลงแล้วจริงๆแม้วัดหวาดอยู่ว่าเดี๋ยวอาจต้องเป็นเปรตเป็นหมาเป็นแมวหรือเป็นอะไรที่แย่กว่านั้นก็ยอมไปทรมานเอาดาบหน้าดีกว่ายิ่งวันผู้คนยิ่งให้ค่ากับกรรมที่ศูนยเปล่าเสพติดกับการเพิ่มอัตราแบบฉาบฉวยจนถึงจุดหนึ่ง รู้สึกกลวงว่างไม่มีค่าไม่มีราคาในหัวยุ่งเหยิงสับสนอยู่ด้วยความคิดแย่ๆจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่จะพลิกความรู้สึกในระยะยาวคือถามตัวเองทุกวันว่าทำอะไรเป็นก้าวเล็กๆไปสู่ความรู้สึกมีค่าทำอะไรเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สะสมความรู้สึกไร้ค่า การตั้งคำถามกับตัวเองคือวิธีเรียกสติได้ดีที่สุดอย่าให้คำตอบมาจากคนอื่นแต่ให้มันมาจากใจที่ซื่อสัตว์ตรงไปตรงมาของตนเองแล้วคุณจะพบมิเตอร์วัดค่าที่ลำค่าเปลี่ยนทิศลงเหวเป็นขึ้นยอดเขาได้เพียงภายในชั่วเวลาข้ามเดือน